พระตรายปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส1บอ็ดสุตตันตปิฎกทีฆานิกายปาติกกวักพระสูตรที่หนึ่งปาติกสูตรสูตรว่าด้วยชีปเปลือยบุตรแห่งปาติกะช่างทาถาดพระผู้มีพระภาคประทับนันนิคมชื่ออนุปียะแคว้นมันละเช้าวันหนึ่งเสด็จออกบินทบาทแต่ยังเช้าอยู่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 เราจึงย้อนถามสุนัขัตาลิชวีว่าที่เป็นอย่างนี้ชื่อว่าเราแสดงอิทธิปาฏิหารแล้วหรือยังสุนัขัตาลิชวีก็รับว่าแสดงแล้วเรื่องชีเปลื่อยชื่อกลารมาชกะรัดเล่าถึงชีเปลือยชื่อกลารมาชกะภูเลิดด้วยลาบยศ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 ไม่ล่วงเกินโคตมั ก, กเจดีซึ่งตั้งอยู่ทิศทักษินคือทิศใต้หกไม่ล่วงเกินสัตตมพเจดีซึ่งตั้งอยู่ทิศประจิมคือตะวันตกเจไม่ล่วงเกินปหูปุตตกะเจดีซึ่งตั้งอยู่ทิศอุดอคือทิศเหนือของกรุงเวสาลีเราเคยกล่าวกับสุนทขัตตลิชวีว่ากาละระมาช ก, กะ